b h t a n s r ตั้งใจตั้งไว้ให้ดีโอกาสดีๆทำดีให้ได้ลูกหญิงลูกชายทำได้ทุกคนมาณนอดตนฝึกฝนตนเองรู้บุญรู้คุณพระคุณพ่อแม่บาปบุญคุณแท้จำต้องเรียนรู้วิชาความรู้เพียรเพิ่มศึกษา โอกาสดีมารีบไขว้คว้าเอ่ยจากพระสุนทรธรรมมาผ่านอาละ่ะวันนี้เรามาฟังธรรมในแนวอันนี้ส่งของการปฏิบัติตั้งแต่ศีลสมาธิจนถึงกรมมปัญญา ก็เมื่อเช้าได้เล่าเรื่องการไปทุดดงมาก็ยังติดพันอยู่ว่ายังมีอีกเยอะที่ยังต้องต้อ ง, องกล่าวให้โยมฟังหรือแสดงให้ฟังเ <_ S 1> มื่อกับเวลาพระที่ท่านจะออกป่าออกทุดดงจริงๆทุดงก็คือ รากศั์ก็มาจากทุตวาทะก็คือผู้ขัดเกลากิเลสฉะนั้นคนที่ออกป่าเดินธุดงก็คือใช้ทาความเพียรมีฝึกสติขันติวิทยะสมาธิและก็สแสวงหาปัญญาแต่ทั้งหมดต้องดูคุณนะแล้วเขาเรียกดูคุณขององค์นั้นล้วคุ ณ, ณธรรม หรือภูมิจิตภูมิธรรมเราเริ่มตั้งแต่ว่าก่อนจะเดินออกจากอารามหรือที่พำนัดของสงฆ์ก็ดีไม่ใช่เป็นเรื่องล้อเล่นหรือว่าทำตามกันแบบสนุกกันไม่ใช่คำว่าทุดงเนี่ยผู้ที่จะเดินต้องมีคุณสมบัติก่อน อาทิเช่นบุคคล น, นั้นต้องรู้ถึงอานิสงส์ของศีนก่อนว่าศีลของเรานี้ปกปักรักษาคุ้มครองเราได้เลยอย่างอำนาจฌานสมาธิจิตพลังจิตตะบะของเราสามารถคุ้มครองจิตได้แล้วหรืออย่าง อย่าลืมนะว่าในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยคุ้นเขาป่าน้อยใหญ่เนี่ยล้วนมีอันตรายสัตว์ ร, ร้ายน า, นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นเสือสิงโตงูหรือช้างป่าหรือสัตว์ ร, ร้ายมีอยู่ในป่ามากมาย และโดยเฉพาะพวกอามนุษย์อีกต่างหากฉะนั้นคนที่จะออกธุรงได้ตบะอำนาจศีลอำนาจสมาธินี่ต้องสูงนะเหมือนเวลาเราไปปฏิบัติที่ไหนเนี่ย ถ้าศีลของเรายังไม่สะอาดพอหรือว่ายังไม่เห็นอานิสงส์ของศีลศีลยังคุ้มครองป้องกันภัยไม่ได้เนี่ยออกไปก็เท่านั้นคือไปแล้วมีแต่ความกลัวนะมันมีแต่อวิชชาอยู่ไม่ใช่จุดนี้ต่อมาจึงบอกเออ เวลาเราเดินป่าทำไมเราไม่กลัวสิ่งสารลาสัตว์เราเห็นอานิสงส์ของศีลเพราะเราไม่เบียดเบียนสัตว์เราไม่ให้ร้ายสัตว์เราไม่ทำลายสัตว์สิ่งนี้ก็จะไม่เกิดกับเรานี่คือ จิตสติที่เราลึกรู้อยู่จึงไม่เกิดความกลัวต่อสัตว์น้อยใหญ่แต่จะมีคําอธิษฐานอยู่คาหนึ่งว่าถ้าสิ่งนั้นเป็นเวรเป็นอกุศลกรรมที่เราได้สร้างกับสัตว์ใดๆมาก็ตา ถ้าถึงเวลาที่ต้องชดใช้เรายินดีชดใช้และเต็มใจชดใช้ถึงจะตายก็จะตายอย่างผู้ไม่สะดุ้งกลัวเพราะเรามีอำนาจของศีลอยู่ทำให้เราสงบอยู่ด้วยศีลนี่เบื้องต้นแคนความอาหารในศีลเนี่ย มาแกล้งสร้างไม่ได้นะมันต้องเกิดจากการบําเพ็ญปฏิบัติจริงๆก็บอกว่าถ้าถึงเวลาที่ต้องชดใช้เราก็ยินดีชดใช้และเราจะไม่ลุกขึ้นวิ่งหนีแม้แต่ก้าวเดียวอธิษฐานไว้ด้วยถ้าเข้าป่าไม่กลัวเสือคือเราจะไม่หนีหนีก็แค่นั้น วิ่งสองเก้าเราก็ไม่ทันเขาแล้วนี่คือภูมิที่เราต้องมีก่อนถ้าเรายังไม่ถึงตรงนี้อย่าออกไปก็ไม่ได้อะไรไปเดินเลาะอยู่ตามหมู่บ้านไปนั่งรองกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ ข้าไปบ้านจัดสรรมันคนละเรื่องกันอยู่วัดยังดูดีกว่าเยอะเลยโยมอย่าไปเข้าใจผิดนะโอทุดงไปนั่งอยู่ในป่าคอนกรีตเนี่ยมันผิดทางแล้วไม่ใช่ทางที่จะไปแล้วไม่ใช่เขาต้องสแสวงหาที่อันส ง, งัดแล้วก็เจริญจิตวิเวก ตรงนี้ต่างหากพอเราเห็นอานิสงส์ของศีลแล้วเราถึงไปเป็นตายไม่เสียดายชีวิตเพราะนี้คือการบําเพ็ญสมณธรรมหรือประพุติธรรมแล้วก็เคารพเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วจึงไม่มีสิ่งร้ายร้ยใหม่เกิดขึ้น ท่านสงบเย็นลงแล้วความหวาดกลัวความมิตกักงวลอะไรทุกอย่างเนี่ยศีลก็ช่วยในระดับหนึ่งแล้วต่อมาอีกอํานาจสมาธิการดําชานจะต้องได้ก่อนที่จะไปทูดงก็ เ, เรียกตําบะต้องสูงพอสมควรต้อง เรื่องการเข้าฌานนี้ต้องทำได้แล้วนิ่งสงบมันต้องมีแล้วแล้วก็อำนาจของฌานที่จิตนั้นรู้อยู่ว่ามีพลังอยู่ข้างในถึงบอกเวลาไปนั่งตรงไหนตรงนี้จะไม่กลัวคบว่าพวกอมนุษย์จะเป็นอมนุษย์ประเภทไหนก็ตาม ที่จิตรู้ตรงไหนโยมรู้ไหมว่าเราจะไม่ถูกทำลายจากอามนุษย์เพราะถ้าอามนุษย์ไหนมีภูมิจิตที่อยู่เหนือกว่าผู้นั้นก็ต้องเป็นฝ่ายของกุศลแหละตบะที่ดีกว่าต้องเป็นฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายขาวเลย่มตเออรู้แล้วจิตที่สูงกว่าเราตรงนี้ แสดงว่าจิตนั้นในระดับพักผลเท่านั้นต่ํากว่านี้ก็ทําเราไม่ได้เหมือนกันดังนั้นคนต้องรู้ระบาดตัวเองก่อนมันเหมือนมีดอนะโยมต้องรู้ว่าคมแค่ไหนและเหล็กในเนื้อมีดของโยมเป็นเหล็กดีขนาดไหนต้องรู้นะไม่รู้ไม่ได้มัว่วๆสุดๆไม่ใช่นะไม่ใช่เขารู้ตะบาด การฌานสมาธิจิตจะวันไว้ในจุดไหนรับตั้งมั่นได้เพียงไหนเขาจะรู้ของเขานางดูรู้ถึกบอกท่านจะรู้ของท่านความมืดทั้งหลายมาปกคลุมท่านก็ทำลายท่านไม่ได้เพราะจิตของท่านข้างในมีความสว่างอยู่ และท่านก็มองเห็นนะท่านมองเห็นในความมืดตรงนั้นถึงบอกอามนุษย์ทำลายท่านไม่ได้อยู่ไปอยู่มาที่สุดก็มาร่วมกันบําเพ็ญสมณธรรมแล้วก็เคารพในธรรมเท่ากับได้โปรดพวกอามนุษย์ด้วยนะถึงบอกเออพระผู้มีตาบะพระผู้มี อำนาจจิตสูงเนี่ยเวลาไปบำเพ็ญเนี่ยต้องใช้ว่าโปรดเบณยสัตย์ด้วยหรือปลดปล่อยด้วยซ้ำไปจิตวิญญาณที่พอจะได้กุศลแล้วก็ไปในภูมิที่ดีขึ้นเขาก็ได้รับโมทนากุศลนั้นไปจริงบอกว่าที่ไม่กลัวก็เพราะผู้นั้นต้องรู้ตบะตัวเองนั่งดูรู้บางแห่งเข้าไปนรู้เลยว่า มีเจ้าของอยู่ตรงนี้บางทีมานี้แบบไม่จะบอกไงดีว่าทักทายกันเลยอยู่มันเหมือนว่าจิตสัมผัสกันเลยเ อ, อแต่ทุกอย่างก็อยู่เหมือนทุกอย่างปกติทุกอย่างดูเหมือนปกตินิ่งสงบ นั่นคือคนฝึกตรมบารมารู้อะไรก็เฉยๆไม่ได้ตกใจไม่ได้กลัวเพราะเป็นตายไม่ตกใจคนมีตมบานะเป็นตายไม่ตกใจและโดยเฉพาะเขาเข้าใจคำว่าเรื่องกรรมวิบากและผลแห่งกรรมวิบากเดีบอกว่า เมื่อถึงกรรมที่ชดใช้ถึงเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรเราก็ไม่ร้องขอยินดีชดใช้เพื่อภูมิชาติของเราก็ได้จบไปในชาตินี่ ถึงตายหรือมรณภาพก็ไม่ใช่ไปสู่ทุกขติบ่าความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวเพราะความตายเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความเกิดเท่านั้นเองแต่ต้องถึงทำจุดหนึ่งก่อนนะถ้าไม่ถึงจุดหนึ่งคำนี้พูดไม่ได้ความตายก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแห่งความเกิดในภูมิที่ดีขึ้นที่หลังจากเราได้ใช้กรรมวิบากเพราะอะไรอานาจศีลอานาจฌาน กุศลที่ท่านจเจริญอยู่เป็นตัวส่งผลให้ท่านไปสู่สุคติภูมิก็เลยไม่ตกใจไปก็ปลดไปเรื่อยๆบางที่บางทางบางแห่งก็ก็เยอะมากระทบสัมผสัสใจที่รู้ที่แต่ทุกอย่างก็อยู่ในความสงบ ด้วยอํานาจของฌานและด้วยอํานาจของศีลจนถึงอํานาจแห่งการเจริญวิปัสสนาญาณที่ไม่เกิดก็เกิดได้เวลาเราทําถึงจุดหนึ่งญาณฌานามันมีญาณมีฌานอํานาจฌานอํานาจญาณสูงขึ้นไปที่เป็นอภินญาอะไรก็สุดแล้วแต่จะว่ากันตรงนั้น นั่นมันเป็นภูมิของผู้บําเพ็ญในขั้นสูงพอเราเดินเรารู้แล้วใจรู้ใจเห็นทุกอย่างดูเหมือนนิ่งสงบจึงเรียกว่าบําเพ็ญสมณะธรรมสมณะก็คือก็คือชนคนสงบอยู่แล้วความหมายก็คือบําเพ็ญ สู่ความสงบอยู่แล้วมันเป็นสบณนธรรมจิตที่สงบจนถึงสงบเข้าไปในเรื่องของกิเลสเนี่ยจุดนี้ถึงบอกไม่มีอะไรที่ครัวทัตตาบัตที่สูงกว่านี้ก็ไม่ใช่คือสิ่งที่ทำลายเบียดเบียนนั่นก็คือฝ่ายขาว เมาจะเป็นเทพระดับไหนก็ตามก็จะไม่ทำลายเพราะจิตถึงขั้นนั้นไม่อยู่ด้วยอกุศลพอเรารู้ถึงจุดนี้ก็ไม่มีอะไรที่กังวลแล้วและไม่มีอะไรต้องกลัวด้วยหรือจะต้งกลัวต่อให้มีลมกระโชกมาหรือมีเสียงอึกกระทึกมา ยมจำในประวัติที่ผู้เจ้าก่อนตรัสรู้ที่ว่าเจอพญามารที่บอกมามืดฟ้ามวล ด, ดินโ h ร้องมาหน้าตาดุดนันเหมือนยักษ์เหมือนมารแผ่นดินวันไว้มืดฟ้ามวดดินมาอึกกกะทึกคึกโครมดังกับลนาไปหมดเพราะว่าฝ่ายเทพระดับหนึ่งหนีหมด เเรียกมาด้วยอำนาจมานสูงสุดเพื่อมาทดสอบพระพุทธเจ้าแต่ไม่เป็นผลเพราะอะไรยอมทราบไหมที่จะมาบอกไงว่าผู้มีตะบะสูงผู้มียานชาญ ทำท่านไม่ได้เพราะท่านอยู่เหนือกว่าตรงนั้นไม่ว่าอำนาจหรือตบัแลวก็โดยจิตประกอบอยู่ด้วยเมตตาอยู่แล้วตรงนั้นยิ่งทำอะไรท่านไม่ได้เลยยิ่งคิดร้ายเท่าไหร่ผลรับกลับไปสู่ผู้นั้นเท่านั้น อโอ้อำนาจเมตตาพอถึงจุดหนึ่งโยมยันียกว่าไม่มีอะไรนะอำนาจเมตตาถึงจุดหนึ่งเหมือนกระจกใสเยสะท้อนกลับไปสู่ผู้ที่ทำไม่ดีทั้งหมดเลยแต่ต้องบอกถึงจุดนะก็โอ้ไม่ธรรมดานะอำนาจจิตที่เมตตานะ เป็นพลังอันบริสุทธิ์สิ่งชั่วก้มกลายทำลายไม่ได้แถมจะทอนย้อนกลับไปสู่สิ่งนั้นด้วยทรงมาจากไหนก็สะท้อนกลับไปตรงนั้นไม่น่าเชื่อนะว่าสิ่งนี้มีอยู่อย่างนี้ได้แปลกมากๆเมตตามิได้ทำลายใครเมตตามิได้ให้ร้ายใครแต่เมตตา กับเป็นการสะท้อนกลับไปสู่สัตว์นั้นๆมีหน้าที่บอกกระอักเลือดกัน บ, ออบทนไม่ไหวจนสุดท้ายก็พ่ายไปหมดพุทธองค์เราไม่ท ร, รมารับ ใช้จิตอันเมตตาใช้น้ำพัไทยอันสงบแล้วไม่โต้อตอบไม่คิดร้ายไม่ทำลายมานไม่รู้วิถีจิตนั่นเลยมานไม่รู้ทางไปของพระพุทธองค์เลยมานจิงเหมือนกับไม่มีทาง ที่จะชนะพระองค์เลยเพราะไม่เห็นทางทั้งหมดจิตไม่ปรุงแต่งทุกอยาก่างจึงไม่เปิดให้มารู้ได้เลยมนุษย์จิตที่ปรุงแต่งมารจึงรู้ใจพวกเราได้ตรงนี้ชัดนะมารจึงรู้ใจพวกเรา พวกเรายิ่งปรุงแต่งมากเท่าไหร่เราก็ตกอยู่ใต้อำนาจของมันมากเท่านั้นเออตอมาว่าสำคัญจริงๆสำคัญเหมือนตบะของผู้บําเพ็ญมีนาทัานจริงไม่ตกใจ อยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่มีความทุกข์ร้อนใจอะไรเพราะใจไม่ได้ไปปรุงมุ่งไปในวัตถุกรามท่้งรายสุขที่เจือด้วยอามิตรกับสุขที่ไม่ต้องเจือด้วยอามิตรเนี่ยมันห่างไกลกันมากทีเดียวนะ ความสุขของท่านไม่เจือด้วยอามิตรเพราเออไม่ต้องปรุงแต่งจากใครคนหนึ่งคนใดไม่ได้ปรุงแต่งจากวัตถุชิ้นหนึ่งชิ้นใดนี่ที่บอกไม่เจือด้วยอามิตรสุขที่เจือด้วยอามิตรกับสุขที่ไม่เจือด้วยอามิตรเนี่ยบอก ผู้มีตะบะสูงผู้มีธรรมสูงส่วนมากท่านมีความสุขมากกว่าพวกเราอาตมาจะใช้อยู่เรื่อยโยม ด, มด้วยฟังบอกพวกเราเน้นสุขนอกจิตเนี่ยอาตมาเทียบให้ฟังแต่ของท่านสุขเกิดจากภายในจิตที่มีเมตตามีกุศลแล้วก็มีธรรมอยู่ แต่ท่านเบิกบานกว่าเราเยอะเลยเบิกบานใจท่านอิสระกว่าเราเยอะเพราะท่านไม่หมกมุ่นอยู่กับตัวตนไม่หมกมุ่นอยู่กับความยึดติดอยู่กับชีวิตที่เป็นอดีตที่มีปัจจุบันและท่านก็ไม่ได้ไปเพอ้อเจอ้อหลงไหลอะไรมากกับอนาคต บอคนที่รู้สัจธรรมเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยวิปัสสนาใครที่บอกว่าวิปัสสนารู้ไหมว่าต้องเข้าใจเข้าถึงก็มาสัจจะสัจธรรมคือความจริงพวกเรานี่ก็เรียกตีหน้าตายเล่าความเท็จ ตีหน้าตายตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จทาเส่นเหมือนเลยเก่งเสไม่มีอะไ อ, อคนเราเจตนามันเป็นตัวกรรมอยู่แล้วคุณอยา่าโกหกใครในเมื่อใจคุณรู้อยู่คุณโกหก จิตคุณไม่ได้หรอกเจตนาหั่งพิกเขวิกำมังวดามิเจตนาคือตัวกรรมชัดเลยตมาบอกเอาเถอะคุณจะเสแสร้งคุณจะมีมายาคุณจะเล่าความเท็จได้อีกนานแค่ไหนตมาก็อยากจะรู้บันกัน จะมีเสียงพูดได้อีกสักกี่ปีเา็าอยากจะดูในที่สุดวันเวลาแห่งความเป็นจริงก็มาถึงจิตเป็นผู้สารภาพทุกอย่างวันนี้เขาไม่ใช้วาจายมรู้ไหมในอีกมิติหนึ่งไม่ใช้คำพูด ภาษาจิตคือภาษาธรรมพิดโทกดีชั่วสี่คำบาปบุญคุณโทษอีกสี่คำนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานอีกสี่คำไม่มีไม่มีการแก้ต่างไม่มีจิตเป็นผู้บอกทั้งหมด เสมือนกล่องดำที่ติดอยู่เครื่องบินบันทึกไว้ทุกอย่างจึงบอกโอ้โหฆ่าคนอื่นเหมือนฆ่าตัวเองด่าคนอื่นบันดาตัวเองสะท้อนย้อนกลับด้วยหลักแห่งกรรมและหลักแห่งธรรมทั้งหมดน่ากลัวจังเลยมิหน้าผู้มีตะบะสู ท่านไม่กลัวสิ่งชั่วร้ายแต่ท่านกลัวการทำสิ่งชั่วร้ายท่านไม่กลัวสิ่งชั่วร้ายจะมาเบียดเบียนท่านท่านไม่ได้กลัวแต่สิ่งที่ท่านกลัวคือจิตที่ต้องชั่วร้ายมีนาภุมิตะบะสูงท่านจึง ดูแลรักษาจิตใช้ว่าสติตื่นอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนโยมคิดดิท่านรักษายิ่งกว่าทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกใบนี้เหลือเชื่อเหลือเชื่อ ยามหลับก็ยังเอาสติคุ้มครองจิตยังกำหนดภาวนาหลับก็ยังอยู่ในอำนาจแห่งธรรมอำนาจแห่งฌานอยู่ตื่นขึ้นมาก็ยังเจริญอยู่ด้วยมหาสติที่บอกเอ อ, อท่าน เข้าถึงตรงนี้แล้วจิตที่ยกเหนือกว่านั้นก็คือปล่อยวางทั้งหมดที่มีมาท่านจะปล่อยวางเหลือเชื่อนะเริ่มคำว่าทนกระแสคือจุดนี้ทั้งหมดที่เคยมีมาท่านเริ่มไม่ยึดมั่นแล้วทั้งหมดที่เคยเป็นมา ท่านรู้คำว่าปล่อยวาตมาบอกอ่านตำรามากี่ร้อยเล่มก็ตามไม่สู้แค่ขนาดจิตเดียวเท่านี้เองท่านปล่อยวาและท่านได้ปรงสังขารของท่านกำหนดรูปนามปรงสังขาร ถอดถอนความยึดมั่นในจิตความมั่นหมายในใจย้อนอดีตสู่ปัจจุบันมุ่งสู่อนาคตแสแวงหาอิสระความเป็นมุนีคำนี้สุดยอดในโยมรางวัลสูงสุดในสัจธรรมชีวิตที่เรา สแสวงหาธรร ม, มาคำเดียวเท่านั้นคือมุณีผู้มีอิสระอยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงสุดยอดเลยทุกเกิดจากอะไรจงห้ามใจจากสิ่งนั้นฟังดูไม่ยากแต่กว่าจะได้ยาก แสดงว่าเขายกจิตอยู่เหนือจิตที่เป็นทุกข์ได้บอกสุดยอดเลยในที่สุดท่านก็บรรลุปลดปล่อยตัวเองได้โยมเชื่อไ้ยว่าคำว่าบรรลุคือการปลดปล่อยตัวเองไม่ใช่คำว่าบรรลุผูกมัดตนเองก็งมาบอก เคยตะโกนหาสัจธรรมอยู่ที่ไหนพุทธองค์อยู่ไหนใครรู้ช่วยบอกทีเราเหนื่อยแล้วเราล้าแล้วเราจะไม่ไหวแล้วเราจะหมดความเพียรแล้วความอดทนของเรามีขีดจำกัดแล้วนะ ในตอนนั้นจำได้ถ้าคำนี้ที่เคยกล่าวหรืออธิษฐานตอนนั้นอยู่ที่หน้าธรรมผาแสที่ผู้หลวงแต่มาเคยไปอยู่ที่หน้าธรรมตรงนั้นปฏิบัติอยู่แล้วก็มีน้บตกไหลผ่านเคยเรารู้สึกเราเราเหนื่อยล้าแล้ว ไม่อยากจะเดินไม่อยากจะลุกไม่อยากจะขยับไม่อยากจะทำอะไรแนละ้วมันเหมือนอยากจะหยุดตัวเองนะแต่ไม่รู้ว่าความหมายเป็นอย่างไงอยากจะหยุดนะเหมือนอยากจะหยุดตัวเองแต่ถ้าเราหยุดเคลื่อนไหวมันไม่ใช่ จะบอกตอนนั้นมันเบื่อหรือเปล่าอารมณ์ตรงนั้นบอกไม่ถูกนะหรือหมดหวังเบื่อหรือหมดหวังหรือหรือทำอะไรก็ไม่มีผลมันไม่รู้อะไรตรงนั้นภาษาชีวิตมันเป็นยังไงจะมาตอบไม่ได้นะจะบอกเออแต่รู้ว่า เราเหนื่อยแล้วเหมือนอยากให้พุทธองค์มาช่วยเราสักทีเรารู้สึกว่าเราเหมือนแบกของหนักนะแล้วบอกว่าไม่ไหวแล้วจะทิ้งแล้วล่ะ แต่ว่ามันยังไม่ถึงเส้นชัยมันยังไม่ถึงจุดหมายเกิดคำอุทานออกมาถึงบอกทุกคนต้องมีนะจุดหนึ่งถึงบอกชีวิตคนเรามันจะมีจุดต่ำสุดจุดสูงสุดมันจะมีจุดของมันอาตมาก็เคยอยู่ในจุดนั้นแหละแล้วก็ในที่สุด มันสลดโขดหดคู่ด้วยนะสลุดหดคู่ดูไม่เห็นต้องอดทนบอกไม่ถูกเออคำนี้ใช่มันเหมือนกับคล้ายไม่มีที่พึ่งเออหรือที่พึ่งนี้ก็ไม่สามารถยึดเหนี่ยวได้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณ ประมาณนี้ถึงบอกเออกิตของเราไปสู่จุดนั้นมันเหมือนเดินทางนาะโยมเนาะเดินทางไปเดินทางมาเ อ, อ๊ะมันถูกหรือเปล่าเนี่ยมองซ้ายมองขวาไม่เห็นมีใครเลยมองหน้ามองหลังก็ใครไม่มีดูไปดูมาก็เหลือแต่เราคนเดียวเอาแล้วสิ โยมเคยรู้สึกบ้างว่าเราอยู่คนเดียวแต่มาเชื่อว่าเคยอารมณ์หนึ่งมันจะมีโดดเดี่ยวเดียวดายมองดูรอบกายทุกอย่างมาหลายเหมือนมันสิ้นหวังหมดแล้วในเมื่อเราไม่เลือกที่จะไปทางโลกแล้วทางกายเราไม่เอาเราจะมาทางจิตเมื่อทางจิต ก็ยังมืดมิดชีวิตจะไปไหนยมคิดแทนหน่อยดิทางกายก็ไปไม่ได้ทางจิตก็ไปไม่ถูกมันจะพันผูกอยู่กับอะไรอีกชีวิตยอยู่เหมือนตายคำนี้ไม่ผิดนะอยู่เหมือนตาย จะมาเข้าใจนะคำว่าอยู่เหมือนตายมันไม่มีชีวิตชีวามีแต่ลมหายใจไร้เรี่ยวแรงหมดความฝันสิ้นความหวังแล้วอะไรไม่รู้ที่มันบกมุ่นอยู่กับตัวเรานะบอก ไม่ผิดนะคำว่าอาวิชามืดบอดไม่ผิดอวิชชาความมืดบอดแต่สุดท้ายออแสดงว่าเมื่อกี้ยังไม่สุดนะแต่สุดท้ายโยมเชื่อไหมว่าความจริงใจ ความซื่อสัตย์ความบริสุทธิ์ใจนะที่ทำอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจเนะี่ยสิ่งนี้ไม่มีอะไรทำลายมันได้แต่มารอดคือสิ่งนี้ไม่ใช่คือความฉลาดความฉลาดความรู้อาจเอาตัวไม่รอดก็ได้เวลานั้นมารลอกเราได้ คนยังหลอกคนได้โยมจิตบิญยาณมานก็หลอกเราได้เขาไม่ต้องการให้เราเป็นสู่มรรคผลนิพพานหรอกรับรองได้เขาต้องมาขวางมากั้นทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะไม่นําพาเราแน่นอนเขาจะกั้นไว้ขนาดพราะพุทธเจ้ายัางโดนโยมนี่เราเป็นศิษพระองค์ท่านเป็นบุตรพระองค์ท่านเหตุเช่นไหนเขาจะปล่อยเรา มานไม่ปรานีเราฉันใดสิทธิาคตก็ไม่เคยปรานีมานฉันนั้นเอาคืนีนี้าทุกอย่างอรรมาบอกเลยว่ามันสะท้อนกลับไปเมื่อใจถูกทำลายแล้วไม่ทำลายต่อมันเหมือนกระจกใสและบวกกับจิตที่เรามีความจริงใจอยู่ ความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่คือใจที่บริสุทธนะิ์น่ะโยมต้องแปลให้เข้าใจก่อนนะแต่มาใช้ว่าเรามีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติเพื่ อ, สอแสวงหาธรรมจริงๆนี่คือความบริสุทธิ์ใจแต่ไม่ใช่ใจบริสุทธิ์ตอนนั้นนะ่ะบริสุทธิ์อีกตอนหนึ่งนะคือเราไม่มีมายาไม่เครือแฝงรเราทำด้วยใจจริงๆ สิ่งนี้แหละมารทำลายไม่ได้ตามมาบอกสุดยอดเลยเราไม่มีอะไรดีชีวิตนี้แต่เรามีคำว่าความจริงใจเรามีน้ำใจเรามีความบริสุทธิ์ใจเชื่อไหมว่าในความมืด เกิดแสงสว่างได้ถ้าเกิดไม่ได้แสดงว่าในอวิชาก็จะไม่เกิดปัญญาอีกเลยแต่สุดท้ายอาวิชาก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นทุกอย่างมันมีคู่ปรับโยมต้องเข้าใจว่าทุกอย่างมีคู่ปรับเขาไม่ได้ให้ฝ่ายอาธรรมย่ำยีตลอดเหมือนกันถึงจุดหนึ่ง ที่จะมาบอกว่ามันเรื่องกรรมวิบากเราไม่รู้พอชดใช้กรรมวิบากเต็มที่แล้วนั่นแหละพอกูสนส่งสิ่งที่ไม่เกิดก็เกิดสิ่งที่เกิดแล้วก็เกิดยิ่งยิ่งขึ้นถอกธรรมะพรั่งพลูสติระลึกก่อเกิดแห่งปัญญา กิจทำสมาธิก็เกิดอำนาจแห่งชาติจะบอกเออในที่สุดสิ่งที่เราทำมาไม่ใช่อยากได้แล้วจะได้หรือไม่อยากได้แล้วว่าจะไม่ได้ไม่ใช่ทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยตามเหตุเมื่อถึงเหตุ สิ่งนี้จะเกิดมันก็เกิดตามเหตุไม่ใช่ตามกิเลสของเรานะยมไปกำหนดสองปีสามปีหปีบอกตมามบอกเวลาไม่ใช่คือเงื่อนไขไม่ใช่อาจจะทั้งชีวิตไม่เกิดก็ได้หรือบำเพ็ญแค่ไม่นานเกิดแล้วก็ได้เวลาไม่ใช่เงื่อนไข ใจของคนนั้นต่างหากจะมาถึงใช้ว่าที่สุดไม่มีสิ้นสุดก็ไม่มีเมื่อไหลใจหยุดสิ้นสุดก็มีเมื่อไหใจยังไม่หยุดที่สุดก็ไม่มีตาัมาบอบ มันน่ากลัวนะแต่ในความน่ากลัวถ้าเรารู้จักมันมันก็ทำลายทำร้ายเราไม่ได้เหมือนกันตบอกคำว่าวิปัสสนาเราต้องเข้าถึงรูปขันนามขันกายจิตชีวิตธรรมะเอามาผสมประสาน ร, รวมกันเข้าคุกเข้ากันเข้ามา คนเข้าใจธรรมะคุณต้องเข้าใจชีวิตคุณเข้าใจชีวิตคุณต้องรู้สัจธรรมคนจะรู้สัจธรรมต้องเป็นผู้มีสติที่ระลึกอยู่รู้ตัวอยู่ว่ายืนอยู่ทำอะไรนอนนั่งเดินอยู่พูดคิดนึกทำอะไรอยู่จะมาบอกว่าโอ้ การจะเย็บผ้าม่ใช่เย็บด้วยเข็มมันต้องมีด้ายติดมาอีกเราใช้ด้ายเป็นตัวเย็บประสานตลอดแต่สิ้นสุดแห่งด้ายก็เหลือแค่เข็มกบอกสิ้นสุดแห่งการใช้ชีวิตก็เหลือแค่ชีวิตสุดท้ายชีวิตตรงนั้นถามว่าปล่อยวางหรือยางยอมลองนึก อาจะมาเป็นคนพายเรือข้ามฝากแล้วกันเราเรานั่งเรือข้ามฝากพอาะมาส่งโยมถึงถึงฝั่งเสร็จอาจจะมาต้องแบกเรือขึ้นฝั่งไหมถึงที่หมายแล้วเรือนั้นก็ไม่จำเป็น โยมไปยึดเรือทาไมอีกมันจบแล้วถ้าโยมยังพูดถึงเรืออีกยังไม่จบธรรมะเป็นแบบนี้จะบอกเกิดดับทาไมเมื่อเช้า่อมาตอนอยู่ในที่พักทมก็เกิดไว้แฮบขึ้นมา ตมาบอกไฟไม่ติดแต่ไฟไม่มีควันมันจะเกิดได้อย่างไรตมาก็ถามว่าแล้วใครเป็นผู้จุดไฟวันโลกใบนี้บางคนถูกใส่ร้ายก็ได้อะไรก็แล้วแต่บางทีบางคนถูกขึ้นมาและบางคนก็พูดตามบอกว่าถ้าไฟไม่มี ควันไฟมันจะเกิดยังไงมันบามั น, นก็ตามนะอาตมาก็ต้องถามใครละเป็นคนจุดเออไม่ได้หมายถึงว่าคนนั้นจะเป็นผู้จุดอาจจะมีคนอื่นจุดขึ้นมาแล้วก็มาพูดต่อถึงบอกความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นพูดแต่อยู่ที่เราทำหรือไม่ทำ ตมาจับคำได้ๆแต่อมองว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่อย่างนั้นเราไม่มีความสุขเลยวันหนึ่งเขาสรรเสริญวันหนึ่งเขานินทาวันหนึ่งอะไรก็ไม่รู้เราเป็นคนไม่ปกติเรายังไม่เชื่อใจตัวเองเรายังไม่รู้ใจเราเองอีก เราก็ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมและไม่มีสิทธิบรรลุธรรมด้วยบอกสุทธิอาสุทธิปัจจัตังนันโยอัญยงวีโซทัยยความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เฉพาะตนบุคคลอื่นมาทำแทนเราไม่ได้ต่อให้พูดแทนก็ไม่ได้แต่มาบอกเข้าใจละรารู้ละ จะดีจะเร็วจะชั่วไม่ใช่คนอื่นก็พูดอยู่ที่เราทำดังหากหรือไม่ได้ทำแท น, นวันหนึ่งถ้าโยมยังไปถือสากับบาจาก็บางคนเขาทุกขีอยู่ก็มีไม่ใช่ตะมาบอกที่สุดก็ปล่อยว่าถูกแล้วละ ในที่สุดก็ปล่อยวางจะเป็นสุขเราก็ผ่านมันมาแล้วทุกเราก็ผ่านมันมาแล้วไม่สุขไม่ทุกเราก็ผ่านมาแล้วถามว่าใจนี้ควรเหลืออะไรควรเหลือแค่คำว่าปัญญาที่ได้เรียนรู้ชีวิตกับสติที่ได้ระลึกได้จบตรงนี้ ทั้งหมดที่เล่ามาเกิดแล้วก็ดับถ้าเข้าใจคํานี้จิตจึงเรียกว่าบรรลุแห่งความหลุดพน้นจากใจของตนทั้งหมดที่เคยมีมาที่เคยเป็นมาที่เคยได้มาและที่เคยจากมาทุกอย่างไม่มีดีใจเสียใจแล้วพรอจิตอยู่เหนือสภาวะนะ ไม่มีดีใจไม่มีเสียใจไม่มีผิดไม่มีถูกทุกอย่างอยู่เหนือแต่คำว่าที่สุดนะแต่บุญบาปยังแยกกันอยู่นะเพียงแต่ว่าใจนี้ไม่ได้ยึดติดแล้วรู้ทุกอย่างที่ผ่านมาสัตมนุษ คนหนึ่งที่มีภูมิชาตินับเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนชาติโยมถ้าโยมยึดติดนะโอ้โหจิตนี้ไม่มีวันสงบได้ไม่ว่าอะไรโยมจะถือโทษไปถึงไหน อ, อภัยได้แล้วพูดที่ว่าอาภัยได้แล้ว บางทีเราก็รู้สึกผิดทำไมไปยึดถืออีกผิดเราก็รู้ว่าผิดแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ทำอีกแล้วจริงบอกผิดเราก็ไม่ยึดติดอีกแล้วแล้วเราก็ไม่ทำอีกแล้วบอกเออนี่คือการปลดปล่อยจิตวิญญาณหลายคนไม่เข้าใจนะปฏิบตัติหลุดพ้นไม่ได้หรอกเ ผูกติดจิตวิญญาณเอาความผิดมาผูกไว้ธรรมะบอกทุกอย่างไม่เที่ยงเมื่อกรรมอกูศสนมันจะมาห้ามยังไงมันก็มาโยไม่ต้องไปวิตกกังวลไม่ต้องใบรอถ้ามันมีกําลังส่งมาเมื่อไหร่มันก็จะมาเองธรรมะเคยวิตกเรื่องนี้นะเรื่องกรรมดีกรรมชั่ว เคยพิตกว่าทำดีแล้วทำไมกรรมดียังไม่ปรากฏอีกคร้วหนึ่งกระลึกถึงกรรมที่เราทำไม่ดีมาเราต้องได้รับผลแห่งกรรมฟังแล้วเท้ามองนะอยู่ไปอยู่มาปฏิบัติไปปฏิบัติมาพอเราเข้าใจปุ๊บบัดนี้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว เราไม่ยึดติดกับมันแต่กรรมดีเรายัางทำอยู่กรรมชั่วเราได้ละในสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วและเราไม่ทำแล้วถ้าเขามีกำลังไล่เราทันนั่งอยู่ก็ลมท้งนั่งยืนอยู่ก็ลมทั้งยืนนอนอยู่ก็ลุกไม่ขึ้นพูดอยู่เขาก็ไม่ให้พูด เราไม่มีกำลังทัดฐานเมื่อกำลังแห่งกรรมนั้นมาถึงทำไมต้องวิตกกับสิ่งนี้จงปล่อยวางเป็นอดีตสร้างแต่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีดีจิตจะไม่่อบมองกับสิ่งนี้อีกต่อไปรู้แล้วบาปบุญคุณโทษผิดถูกดีชั่วนรกสวรรค์เข้าใจมาแล้ว พอเข้าใจเสร็จธรรมะบอกปล่อยวางยังจิตให้ว่างทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเรารู้ไหมว่ากรรมที่เราสร้างครั้งนั้นอาจจะเป็นวิบากของคนนั้นที่เคยทำกรรมกับเรามาและเราได้ทำกรรมตรงนั้นไปเป็นการชดใช้ หรือเป็นก ร, รมใหม่ที่เราสร้างยมตัดสินถูกหรือเราไม่รู้ใครทำก่อนทำหลังใครชดใช้ใครเรายังไม่รู้ถึงบอกเราอย่าเพิ่งไปยึดติดกับมันแต่ให้เข้าใจว่าบาปเราก็ละความเพียรที่บอกละบาปที่เราเคยได้ทำมา แล้วก็ไม่ทำบาปอีกเลยนั่นคือความเพียรที่เป็นสัมมาแล้วก็เพียรที่สร้างบุญกุศลตลอดและบุญนั้นไม่หยุดนิ่งอยู่ด้วยกุศลเราจเจริญอยู่ตลอดถึงบอกเออความเพียรในที่สุดเราก็สำเร็จความเพียรอย่างงั้นโยมไม่รู้ว่าความสำเร็จวิริยะบัรมีอยู่ตรงไหน ทุกอย่างมันมีกำว่าสิ้นสุดไม่ว่าอะไรอย่าเช่นความเพียรที่สิ้นสุดก็คือหนึ่งบาปที่เคยทําหยุดแล้วแล้วไม่ทําบาปใหม่ขึ้นอีกเลยแล้วทําแต่ความดีและความดีที่ทําเป็นกุศลที่เราจเจริญอยู่ตลอดและเป็นปกติแล้วนะ ไม่ใช่พูดความเพียรแล้วเราต้องเหนื่อยตลอดหาเป็นอย่างนั้นไมมเพียรเพื่อละบาปสร้างกุศลเพียรละชั่วเพื่อทาความดีงามนี่คือความเพียรมาตรฐานที่สุดเลยพอเราละบาปได้แท้จริงนั่นแหละและสร้างกุศลได้ความเพียร น, นี้สำเร็จแล้ว จนถึงขั้นสูงสุดกุศล น, นี้เป็นบุญทำให้ใจเราเย็นสะอาดสงบแล้วก็สว่างจะบอกเออคนที่จะหลุดพ้นบางเบาเงาสะอาด หยุดปรุงแต่งหมดวุ่นวายคลายจากทุกข์ไม่ลุ่มหลงหลุดพ้นสุขบอกเออชีวิตไม่ลุ่มหลงหลุดพ้นสุขโยมรู้ไหมคำว่าหลุดพ้นสุข ไม่มีอะไรเจือและในสุขนั้นจึงบอกหลุดพ้นสุขมันเป็นความบริสุทธิ์จิตที่ว่างเปล่านี่คือความบริสุทธิ์ที่สุดคือจิตที่ว่างเปล่าจิตที่ว่างเปล่านี้มานไม่รู้วิธีเลย มันไม่รู้ทางเลยนอกนี้จิตที่ยังปรุงแต่งอยู่ยังอยู่ใต้อานัตอํานาจแห่งมาดเห็นไหมถ้าเรายิ่งปฏิบัติเข้าใจนะถึงบอกมันต้องมีตําบะที่เรารู้การบําเพ็ญอานาจจิตเรารู้พลังจิตเราอยู่ระดับไหน ภูมิธรรมเราสูงขนาดหแต่มาจริงเพราะว่าความจริงใจความซื่อสัตย์และความบริสุทธิ์ใจทำอะไรลงไปแล้วไม่มีคำว่าเป็นหมันในที่สุดเราจะพบสิ่งที่วิเศษสูงสุด คือทางสว่างพุทธองค์ก็มาปรากฏให้เรารู้คำว่าสัพพัญญ ย, ยุตยิญาณไม่ธรรมดาแนยอพวกเรายังอยู่ในข่ายที่พระ อ, องค์มองพวกเราอยู่ไม่งั้นจะไม่มีธรรมคำนี้ว่าผู้ใ ด, ดเห็นจิตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใ ด, ดเห็นนามผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคต หรืออีกในหนึ่งบอกผู้ใดเห็นจิตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดถึงธรรมผู้นั้นชื่อว่าถึงเราตาถาคตทีบอกอา จ, จะมากล่าวคํานี้ไม่ได้หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าเราเป็นอัตตาตรวจตนไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าเราเป็นผู้รู้ตื่นแจ้งเบิกบานใครบําเพ็ญปฏิบัติถึงกับเม่อรู้ตื่นแจ้งเบิกบาน นั่นคือผู้ที่เข้าถึงพุท ธ, ธะทั้งหมดอเราหมดสงสัยสิ้นกังวลลมหายใจจะเข้าจะออกก็เรื่องของเขาจะออกจะเข้าก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราใจภายในปรุงแต่ง ปรุงแต่งอะไรกำหนดใจจนถึงใจว่างสิ้นสุดความเป็นเรานั่นจึงเรียกว่าทำอันเป็นสิ่งสูงสุดแห่งการบรรลุธรรมแต่จะมาบอกก่อนนะทางเดินที่กล่าวเมื่อกี้มันมีบรรยากาศเบาบางเบา สงบสว่างสะอาดเมตตาน้ำใจซื่อสัตย์คุณธรรมกตัญญูอยู่ในนั้นหมดเลยโยมมีนา่าเรียกว่าเป็นทางสุกติใจจะสบายและพอใจสัมผัสและใจจะรู้ว่าเรามาถูกทาง วันหนึ่งโยมจะพูดเองนะวันนี้แต่มาเชื่อว่าหลายคนยังไม่กล้าพูดว่าเรามาถูกทางแต่วันหนึ่งวันใดจิตโยมเข้าถึงตรงนั้นนะเราอุทานเองก็ได้เรามาถูกทางแนละ้วเราพบทางและชีวิตความเกิดไม่เป็นหมันชีวิตไม่เป็นโมฆะโยมมีความสุข มากกว่าคนในโลกนี้ทั้งหมดเลยในวินาทีนั้นนะเมื่อโยมรู้คำนี้นะะมกตตมาบ อ, อกไม่ธรรมดาก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านีนะ้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเธอ